พูดถึงในเรื่องของสตาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของว่าอินรีห้าก็คือความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวใ น, ในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วความสมบูรณ์ในศีลที่เป็นประทัดฐานของโลกุตรสมาธิใช่ไหมถามว่าอิสัตถินรีเนี่คือความเชื่อมั่นเนี่ยในศิกขาข้อแรกความเชื่อมั่นในสิกขาข้อแรก ถ้าไม่มีความเชื่อมั่นว่าศิกขาข้อแรกนี่เป็นข้อปฏิบัติที่ให้เข้าถึงโลโกตระเนี่ยนะถ้าไม่มีความเชื่อมั่นนี่ยนะจะไม่กล้าประกอบศีลจริงๆจะไม่กล้าที่จะเดินกุศลศีลได้อย่างแข็งแรงจริงๆฉะนั้นเกิดจากความเชื่อมั่นว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้จริง เพราะเชื่อเพราะเชื่อว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติผลประโยชน์ที่ได้จากการอะไรได้จากการบาเพ็ญศีลสมาธิหรือเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผลประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยได้จริงๆถ้าปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาที่จะให้ผลในโลกิยะก็อยู่ในโลกิยะภูมิที่ดีใช่ไหม แต่ถ้าประกอบศีลสมาธิปัญญาที่จะเป็นปัจจัยแก่โลกุตละแล้วก็ได้รับมรรคผลนิพพานจริงคือความเชื่อมั่นตรงนี้เพราะเราเชื่อมั่นสิกขาสามคนที่เชื่อมั่นในสิกขาสามคนที่เคารพสิกขาสามนั่นเองที่เราไม่เคารพสิกขาสามก็เพราะเราไม่เชื่อมั่นในสิกขาสามคำว่าเคารพคือการพอกพูนทําสิกขาสามให้บริบูรณ์ทําให้เต็มทําให้เกิดขึ้นอตอนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ย ตอนนี้ศีลและศิขหาเกิดไหมเอาศีลเนี่ยเจตนาศีลเกิดไหมเอาศรัทธาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวร อ, อวิตีได้ไหมก็คือปฏิโมกข์ไงทาไมเราเชื่อสังเกต ด, ดูไหมปฏิโมกสังวรศีลทําไมจึงมีศรัทธาเป็นประธานเอาไวเยเอะเพราะอะไรอ่ะเขาเชื่ออะไรเชื่ออะไร เขามั่นใจในไหนเชื่อมั่นในไหนเออเชื่อมั่นในคุณของพระราชนั้ะแล้วเชื่อมั่นจริงๆไหมพระศาสดามีมหากรุณาธิคุณประทานกุศลศีลให้กับใครให้กรรษัตริยว์โลกทั้งหลายเพื่อต้องการไม่สัตว์โลกนั้นไปเกลื่อนกลนในอบายภูมิและในสังสารวัฏเราเป็นปาตีบุคคลปาตีเนี่ยก็แปลว่าตกไปใช่ไหมตกไปสู่ไหนปาตาเนี่ย ให้ตกไปในอบายไงอตอนนี้ยังเป็นปาตีอยู่เลยเป็นไม่เป็นเป็นบุคคลที่จะต้องตกไปในสังสารวัฏและโดยเฉพาะตกไปในอบายพระศ า, าสดาเขเอ๊ะสัตว์นี้มืดบอดดําเนินชีวิตไม่ถูกนะแต่ตาคตผูกสัตว์เหล่านี้ไว้ในฐานะเป็นลูกของท่านเนาะเป็นบุตรนะเรานี้เป็นบุตรของพระเจ้านะ เพราะภาษาสดาผูกเราท่านหลายไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านแล้วจะผูกในฐานะของความเป็นบุตรเนี่ยท่านก็ต้องผูกบารมีสิบด้วยไหมดฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเนี่ยคนที่เป็นบรมครูเนี่ยเมื่อจะช่วยคนอื่นเนี่ยจะต้องมีพลังอย่างยิ่งใหญ่อะไรคือการหนุนเนื่องทําให้ท่านได้พลังที่ยิ่งใหญ่บารมีสิบบารมีสิบมาหนุนอะไรหนุนโพธิปกักคิยธรรม สามสิบเจ็ดเห็นไหมตัวบารมีสิบเนี่ยถ้ายอ่อบารมีสิบออกมาก็คือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมก็คือโพธิปักกียาธรรมนั่นแหละเป็นการหนุนเนื่องสติปัฏฐานสมปูรณ์ฐานอิทธิบาทอินทรีห้าพาราห้าโพธิชงเจ็ดแล้วก็มรรคแปดสามสิบเจ็ดประการเหล่านี้ถูกขับเน้นถูกระดมมาอจากบารมีสิบของพระศาสดาที่บำเพ็ญมาอย่างยาวไกลในที่สุดจริงก็ผลักดันโพธิปักกียธรรมประชุมในโลกุตตรธรธรมได้ และท่านก็หลุดพ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่ท่านตั้งอัธยาศัยปรารถนาไว้ท่านก็เห็นพวกเราเนี่ยจะเกลื่อนกลนในใบยภูมิและเกลื่อนกลนในสังสารวัฏออกไม่ได้ท่านก็ประทานกุนศลเมตสินท่านจึงบอกสัตว์ทั้งหลายปล่อยศรัทธามาที่เราสิเราเนี่คือพระเจ้าเนะไม่ใช่อมานเนี่ยคือพระเจ้านั้นปล่อยศรัทธามาที่เราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมบอกแกท้ามหาพรหมหนึ่ง ไม่รู้ท่านไปสื่อกับพรหมกันยังไงไม่รู้ถ้าหมาพรหมไม่ยอมสื่อกับท่านเนี่ยใช่ไหมไปโทษท้าหมาพรหมหรือโทษเราต้องโทษเราสิใช่ไหมท่านสื่อตลอดแต่เราไม่เข้าใจท่านเองเนี่ยไปไปมาเราไปแปลงพรหมเป็นอีกท่านหนึ่งไปท น, นี่ใช่ไมไปบอกว่าผมสร้างซะนี่ไปกันใหญ่เลยแต่เ น, นี้ยใช่ไม้มตรงนี้ก็คือนั่นแหละศรัทธาเป็นประธานของ เจตนาศีลเจตสิกสังวร อ, อวิติคมามะคำว่าปาติโมกสังวรศีลเนี่ยตัวศีลจริงๆใช่เจตนาไหมที่เป็นไปกุศลไหมใช่ความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาไหมใช่วิรตีไหมสัมมาวาจาสัมมากัมมตตาสัมมาชีวะไหมก็สิ่งเหล่านี้ยก็คือศีลสังวรเป็นต้นนั่นเองก็คือสภาวะธรรมที่ไม่ก้าวล่วงปาณปฏิบาต ไม่ไม่ฆ่ า, าสตัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคำหยาบหรือเพื่อเจือนั่นแหละตัวปฏิโมก ส, สังวรนศีลก็ขับเน้นที่การที่ไม่ให้กายกรรมวิีกรรมเลื่นกลน่นกระจัด ก, กระจายสร้นไปเพราะทุจริตทางกายและทางวาจาเพราะใจเป็นกุศลศีลซึ่งมีปทะศรัทธาในพระศ า, าสดาเป็นต้นแล้วไม่ถ้าบอกว่าศรัทธาในตถาคตาโพธิศัธา เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วชื่อว่าศรัท ธ, ธาในพระธรรมได้ไหมศรัท ธ, ธาในพระสงฆ์ได้ไหมศรัท ธ, ธาในศิษขาสามได้ไหมเขาเชื่อมั่นตัวศีลไงว่าจะทําให้เขาอยู่รอดปลอดภัยได้เนี่ยความตั้งมั่นความเชื่อมั่นในกุศลศีลนี่แข็งแรงมากศีลจึงสําคัญกว่าจริงหรือเปล่านี่นย มาขับเน้นมาหลายวันเนี่ยศีลสำคัญกว่าชีวิตศีลสําคัญกว่าชีวิตเนี่ยยุ่งกัดยุงกัดเนี่ยบางคนแค่ยุ่งกัดนี่เนี่ยเอาศีลเอาศีลหรือเอาชีวิตถ้ารู้ว่ายุงตัวนี้มันให้เชื่อโรคจะทำไงถ้ากัดก็ไปจะเป็นโรคท้าช้าง เจ้าศีลไหมแต่ทายากันยุง่ตรงนี้แปลกดีอย่างอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเขาจะพื่ป้องกันแต่ไม่ใช่พอเขามากัดก็ยากันยุงฉีดปิดปิดแล้วก็บอกไม่มีใครนะที่บอกว่า สมาณย่งเขาไม่อยู่เลยออไอ้อที่เรื่องไอ้เรื่องที่บอกว่าเขาเขามารักษาศีเนี่ยที่กลับไปที่บ้านเขามีความรู้สึกเขาเป็นคนที่ชอบที่สุดก็คือปลูปูชอบกินปูก็ปูเนี่ยนะแต่นี้ประเอิญไปให้ ให้ลูกไปหามาก็อเดินเด็กปูเป็นเฮ้ยไปเอามาได้ยังไงเนี่ยปูเป็นก็ค่าลักลาศีลคิดไปคิดมางั้นงนัเดี๋ยวจะไปปล่อยเอองั้นเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวแม่จัดการนี่ที่ว่าไปตั้งน้ําใส่กระทะแล้วก็เอาไม้ไปตัดผ้าบนบนกระทะแล้วก็ให้มันตายใช่ไหมแล้วไอ้อ น, น้ํามันก็เดือดใช่ไหม ไอปูก็ตายตายไปยก็มึนยังไม่ไหวจริงไอที่ว่าไอมน้ํามันเดือดควันก็เข้าตามันก็ตูตมลงล่าก็บอกว่าบอกในด้านน้องบอกว่าคล้ายๆในกรณีที่บอกว่ามึงมึงเดินผ่านเนี่ยมึงรอดนะมองทำน้องขอไปถ้ามึงตกมึงตายใช่ไหมมองไปมึงก็รอดนะเด น, อนี่ยดานะ้องเนี่ยถ้าเองตกเองตายนะเองไปเองก็รอดเลยนะี่ะ ท่องอย่างเงี้ยก็วางปุ๊บไปมันก็วิ่งตัวมันเล็กกันนะมันก็มึนกระตบตูมไปในใจแกเนี่ยแกอยากจะกินตัวใหญ่ๆใมีมันมีไข่เยอะๆก็เอาตัวใหญ่เหมือนนั่น ป, ปุ๊บมันแข็งแรงมันก็วิ่งฟึดข้ามไปได้เลยเอ๊ทำไงก็เอ๊เขาบอกเองใหญ่กว่าเพื่อนตรงสองรอบอย่างเงี้ย อันนี้เรียบร้อยเลยไอ้รอบแรกมันก็มึนอยู่แล้วใช่ไหมพอรอบที่สองแล้วก็เรียบร้อยแล้วเอาอย่างนี้อย่างนี้รอดไหมจากคําว่าปัอธิบัติแค่เจตนาข่าไหมเนี่ยนีช่ชัดเลยนะเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้เจตนาชัดเลยถ้าเรามองนี้เราจะเห็นเลยว่าบางครั้งเนี่ยไอ้อุบายที่เราศึกษาพระธรรมเนี่ยนะแต่เราไปใช้ผิดที่ผิดจังหวะเนี่ย เพื่อเราจะหาจุดเลี่ยงหาจุดเลี่ยงเนี่ยนะเพื่อคิดว่าตนเองเนี่ยไม่บาปอันนี้ก็ก็เรียบร้อยพอมองในลักษณะนี้แล้วและทุกวันนี้นะหนึ่งที่มายกเรื่องนี้ขึ้นมาว่าอย่ารักษาศีลเหมือนนักเหมือนนักเรียนเรียนกฎหมายเพื่อจะเลี่ยงความผิดมองไว้พกุทภาษาตรงนี้สำคัญมากเพราะนัก นักศึกษากฎหมายทั้งหลายเนี่ยเขาศึกษากฎหมายเพื่อมาจะเลี่ยงว่าทําผิดยังไงไม่ติดคุกอันนี้เป็นโทษเพราะเพราะเรื่องการรักษาศีลไม่เหมือนเรียนกฎหมายไม่เหมือนกันรักษาศีลมันคล้ายแต่ไม่เหมือนเพราะการรักษาศีลเนี่ยรักษาด้วยใจที่เป็นสุจริตใจที่เป็นกุศล ฉะนั้นจะไม่มีการบิดพิ้วเลยจะไม่มีการบิดพิ้วถ้าไปรักษาศีลเหมือนนักกฎหมายศึกษากฎหมายเพื่อทำผิดได้แต่ทำผิดแบบนี้ไม่ติดคุกเช่นเอะเราทำผิดอย่างนี้ได้มันไม่ครบองค์เราไม่เป็นไรเนีย่ยคิดแบบเนี้ยแต่มันเบียดเบียนเขาไปแล้วใช่หมบางค้อเบียดเบียนเขาเรียบร้อยไปแล้ว สัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิ ต, วตมีจิตคิดจะฆ่าทําความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์นั้นไม่ตายอ่ะเราแก้เขาได้อแล้วไปเบียดเบียนเขารู้เขาไปเสร็จแต่เราไม่ทําแค่ตายทําให้เขาบาดเจ็บเอออย่างนี้ศีลเราไม่ขาดเพราะไม่ครบองค์เมื่อไม่ครบองค์ก็นําไม่เกิดไม่นําเกิดในปฏิสนธิการเข้าใจไหมเนี่ยรักษาศีลแบบนี้ก็คิดว่าเออเราปลอดภัยเนี่ยแต่ที่ไหนได้กรรมที่ทําไปเนี่ยเป็นยังไง เขาไม่ให้ผลในขณะเกิดแต่ให้ผลในประวัติการบาปนี่เนอะนิดเดียวก็มีผลท่านอุปมาว่าอุจฉจราเนี่ยแม้ติดปายยาคายังมีกลิ่นเหม็นฉันใดบาปอากุศลธรรมลามกแม้นิดหน่อยก็ให้ผลให้ความเจ็บปวดฉันนั้นเหมือนกันฉะนั้นอ่ะ ความชั่วไม่ทำเสีเลยดีกว่าไหมเออไม่ทำเสียเลยดีกว่าเม้แต่นิดหน่อยก็อย่าทําก็อย่าทําถ้ามองอย่างนี้จะเห็นว่าในชั้นของคําสอนเนี่ยนะหมู่คัรหัสและบรรญญัติทั้งหลายนี่นะที่มาเพียรพยายามี่าาทญญปั ตัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าการกระตุ้นเตือนเพื่อให้เกิดศรัทธาก็หมายความบอกว่าในชั้นคำสอนท่านบอกว่าสัททินตรียังพาเวติวิริยินทรียังพาเวติเป็นตัวอะไเนี้ยนะ ทำยังไงเราจะเจริญศรัทธาเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญานี่นะต้องเจริญต้องเพาะอินทรีย์ทั้ง5้าตระเตรียมไว้ก่อนและเจริญเพื่อที่จะสามารถที่จะได้เป็นปัจจัยแก่การเจริญศีลสมาธาวิปัสสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปกระแสของรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขัน กระแสของตาหูจมูกเล่นกายใจของบุคคลที่ไม่ได้เจริญอีสีห้าเป็นเหมือนกับบ้านเมืองที่ไม่มีพระราชาปกครองเป็นเหมือนไม่ไ ม, ไม่บ้านเมืองที่ไม่มีพระราชาปกครองเป็นบ้านป่าเมืองเขื่อนไหมถามว่าประเทศที่ไม่มีพระราชาปกครองไม่มีผู้นําปกครองในประเทศนั้นวุ่นวายไหม แข่งแย่งชิงดีกันใช่ไหมจะทําอะไรก็ทําไปตามลําพังอํานาจไปทําของจิตนเนี่ยนฉะนั้นในจิตสันดานของบุคคลที่ไม่ได้อบรมสทินรียวิิญีนียสตินรียสมาวินทรียปัญญินทรีย์เนี่ยก็คือบ้านเมืองที่ไม่มีการสถาปนาพระราชาปกครองอันนี้ถามบอกว่าตอนนี้สัตินรียความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวของเราเนี่ แข็งแรงหรือยังแข็งแรงหรือยังเป็นปกติศรัทธาหรือเป็นภาวนาศรัทธาเป็นปกติวิริยะหรือภาวนาวิรยิยะเป็นปกติสติหรือภาวนาสติเป็นปกติสมาธิหรือภาวนาสมาธิเป็นปกติปัญญาหรือภาวนาปัญญาทีนี้ถ้าเป็นปกติของ ศรัทธาก็ไม่สามารถออกจากตัณหาหรือออกจากอสัตถิยะกลุ่มอกุศลความไม่มีศรัทธาได้ถ้าปกติวิริยะก็ไม่สามารถออกจากโกสัชะอกุศลคือความเกียดค้านในการที่จะเดินกุศลได้ถ้าปกติสติก็ไม่สามารถจะออกจากมุธธตตสติคือการหลงเลืมสติ ร, รละลึกตามก็ไม่ได้ใช่ไหมระลึกย้อนได้ไหมไม่ได้นะพกมุ้ทัสติเนี่ยระลึกตามก็ไม่ได้แต่ฟังก็ททำฟังได้ไปหน่อยเดี๋ยวหลับหลับแล้วนี่ก็เรียกออกจากมุ้ทัสติไม่ได้เปิดเทพฟังธรรมะฟังหลับไปเต็มเลยก็ไม่ไ <laughs> เป็นบ่อยมหมเนี่ยเ ข, เข้าเนี่ยเข้าพาเปิดธรรมะหลับเก่งที่สุดแล้วเปิดก็หลับเปิดก็หลับ นี่ออกจากมุทธธัสติได้ไหมไม่ได้น่าเป็นห่วงไหมนั้นตามล้เล็กก็ไม่ได้ย้อนได้ไหมไม่ไรู้ฟังอะไรไปก็ไม่รู้นึกออกไหมจําได้ไหมนึกก็ไม่ออกจําก็ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกฟัน่นเฟือเลือนเลอะออกจากมุทธธัสติไม่ได้ตรงนี้ทําไงไม่เข้าถึงระดับภาวนา มุดถ้าหากปกติสมาธิก็ออกจากฟุง้งความฟุ้งซ่านไม่ได้ปกติปัญญาก็ออกจากกลุ่มสัมโมหะไม่ได้อันนี้แปลว่าไม่มีศรัทธาที่เข้าถึงภาเวนะพาเวตธ ร, รรมก็ไม่เไดมไม่มีภาวนาศรัทธานั่นแหละสั์เนี้ยไม่มีสัตทินทริยังภาเวติไม่มีวิริยทริยังภาเวติ ไม่มีสตินทรียังภาเวติไม่มีสมาธินทรียังภาเวติไม่มีปั ญ, ญทรียังภาเวติก็คือภาวนาน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงก็แปลว่าอะไรไม่สามารถสถาปนาสถาปนาพระราชาในเมืองนี้ได้นี่เป็นประเทศไหมเนี่ยใช่ประเทศแต่และประเทศไหม งั้นต่อไปไปจัดการดูแลประเทศใครประเทศมานใ้เรียบร้อยอยากให้โจรผู้ร้ายชุกชุมตอนนี้ตอนนี้ประเทศเราเป็นไงตอนนี้เราสั่มเราสายไหมเราสั่มเราสายหมดเลยเลยตอนนี้เป็นยังไงกายยุจริตออกมาไหมว่าจีทุจริตออกมาไหมถ้าสัตว์ทินซีไม่แข็งแรงเลยทุจริดนี่จะเต็มไปหมดเลยนะ และตันหาความยินดีความเพลิดเพลินก็เยอะเพราะไม่สามารถที่จะออกจากกลุ่มตันหาไนดะ้ทีนี้ถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าถ้ามองอย่างนี้นะว่าขันของผู้ที่มีอินทรีย์ห้าเหมือนกับประเทศที่มีพระราชาปกครองย่อมเป็นกับบ้านเมืองที่เป็นมัชิมะประเทศ ก็ไม่โลเลด้วยคำพูดต่างๆเนาะตั้งจิตไว้อย่างมั่นคงในธรรมที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาไว้ไปที่ไหนก็โหบ้านเมืองนี่สงบมากชยอะมะตอนนี้เองเข้าไปตรวจสอบดูทีว่าทางตาหัวจมกูกเล่นกายใจเนี่ยไอ้ประตูเมืองนี่มันปิดหรือเปล่าเนี่ยหรือบาปมันอยากจะเข้ามาอะไรก็เข้าเห็นรูปปุ๊บเนี่ยรคาโทรศท์โมหะเกิดบ่อยไหม พอเห็นสีปักผ็นรูปเห็นโลบารมเนี่ยพอได้ยินเสียงพวบเนี่ยบุญเกิดเป็นซ้ายเลยเนี่ยเป็นไหมแปลว่างั้นแสดงอย่างชัดว่าประตูเมืองนี่ตรวจสอบดีมากใช่ไหมใครเข้ามาตรวจอาวุธตรวจอาวุธเนี่ยคุณพกปืนมาหรือเปล่าคุณมาค้าขายยาเสพติดหรือเปล่าคุณจะไปทําชั่วอะไรบ้ามีการสัมภาษณ์เรียบร้อยทั้งนั้นคุณเข้าสู่ทางทวารตาได้อทางทวารหูเหมือนกันก็ตรวจสอบ เรื่องมันเข้ามาอยู่แล้วมันปกครองไปซะแล้วตอนเนี้ยแล้วไล่ยังไม่ออกเลยใช่ไหมบอกไม่ต้องพูดถึงการจัดการประเทศแล้วตอนนี้ก็ยังถูกบาปเล่นงานอยู่หรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าอย่างนี้แปลว่าบ้านเมืองไม่มีขือ่อไม่มีแปรใช่ไหมปล่อยบาปให้เข้ามาตามอิสระเสรีภาพเลยอย่างนี้ถือเป็นการปกครองแบบเสรีภาพไหมใครใครกินกินใครใคดื่มดื่ม ไม่มีระเบียบแบบแผนใดๆเลยใช่ไหมบางทีนั่งอยู่เนี่ยโลผ้าอยากจะเข้ามาก็เข้ากินอาหารเนี่ยเวลารับประทานอาหารเป็นยังไงบ้านเมืองวุ่นวายไหมวุ่นวายไหมไอ้นี้ก็อร่อยไอ้นี้ก็ใช้ไม่ได้เนี่ยเนียเนะื้เข้านะืเข้าเวลาจะตัดให้เพื่อนที่จะเป็นทา น, นากุศลเอาไม่ดี แต่หมายตาที่ดียอันนี้ใช่ใช่บุญเกิดไหมเนี่ยต่อไปทำไงอันไหนที่มันดีที่สุดนะนี่พระเขาทำยังไงพระเวลาบินบาตรเนี่ยสมมติเดินบินบาตรเนี่ยถ้าอาหารลงตกใส่บาตรปุ๊บแล้วตัณหาเกิดตัณหาเกิดนี่นะท่านต้องพิจารณาเลยเบ็เสร็จท่านก็อาหาร อาหารก้อนนั้นอาหารชิ้นนั้นเนี่ยคู่ควรกับท่านไหมไม่คู่ควรเพราะรับมาด้วยจิตที่เป็นบาปท่านจะไปสารภาพกับพระเลยเนอะที่ท่านประพฤติขัดเกลาวเนี่ยอันนี้ท่านอาหารชิ้นนี้ไม่สมควรไงครับพีย่ะไม่สมควรไงกับผมเพราะผมรับมาด้วยจิตที่เป็นบาปผมขอถวายนี่อย่างนี้เลยถอาอย่างที่ว่าเรารับอาหารได้มันเราพลาดเกิดเหรอ ใช่ไหมเราบอกนี่คุณอาหารชิ้นนี้เมื่อกี้รับไปแล้วโลภะมันเกิดไม่คู่ควรกับเราตอนนี้เรากำลังมางพระพฤติธปฏิบัติขัดเราอย่างนี้แปลว่าน้อมขัดเราไหมแต่ไม่ใช่ว่าเห็นอาหารที่ไม่ดีพอดีโทสะเกิดพอดีนี่เพื่อนอาหารชิ้นนี้รับโดยจิตเป็นบาปเพราะไม่ชอบอ๋ออย่างนี้ไม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ มันไม่ชอบอยู่แล้วสลาสิ่งที่ไม่ชอบอันนี้แปลว่าปฏิบัติเพื่อขัดเกลารือเพื่อการสั่งสมกิเลสมันก็ไม่ควรทําอย่างนะงี้นะงั้นรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เป็นรายละเอียดต่อการขัดเกลนะรายละเอียดต่อการขัดเกลบางที่เรามองข้ามนะเนี่ยการปฏิบัติอย่างเนี้ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าการเจริญใช่ไหมการล่า บ, บาป ที่เกิดขึ้นแล้วการลับบาปที่เกิดขึ้นแล้วใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยกล้าทำหรอกมันจะไดยมันจะไดายจริงๆนะสมมติเราเขาให้อะไรนะช็อกโกแลตโอ้โหตัวเนี้ยหัวใจแทบขาดเนี่ยบางคนชอบมันฮะมันจะเป็นครั้งหนึ่งครั้งสองใหม่ นี่นะถ้าพลาดเดินบินาบาบเนะียท่านจะต้องบำเพ็ญคัตะปัจจาคติกกวัตใช่ไหมพระที่ท่านน้อมขัดเกา่านี่นะกัติกกวัตในการเอากรรมฐานไปแล้วเอากรรมฐานกลับในหมวดของเขาว่าโคจลาสปชัญญาสมมติกําลังเดินเดินเดินไปเนะี่ยท่านกำลังเดินกรรมฐานอยู่เนี่ยนะกําลังเดินอยู่ในระบาบเกิดปุ๊บเนี่นะแปลว่ากรรมฐานมันหลุดใช่ไหมท่านจะหยุดทันทีนะตอนนั้นนะ่ะ บาปมันกาลังเกิดเนี่ยแล้วท่านไม่สามารถจะคมบาปได้ท่านก็จะยืนแต่ท่านให้อนาตัญญาณกันนะนนนเนสมม่อไปหลายองค์นี่ไหมไปหลายองค์เนี่ยเดินตามตามกันมาในองค์หน้าบาปเกิดท่านหยุดเลยเนะในลงหลังองค์หลังก็รู้แล้วใช่ไหมไม่นะจะไม่ต้องใส่บาปเล่นงานท่านแล้วนี่ท่านก็ยืนเฉยแล้วก็ตําหนิตัวเองรีบออกรีบขจัดบาปเขารู้เราหมดแล้วใช่ไหม ท่านผู้รู้รู้เราหมดแล้วตอนนี้บาปเกิดขึ้นกับเราทีนี้ถ้าทํายังไงก็ออกไม่ได้นั่งลงนะึนั่งลงถ้ามีแผ่นหินมีที่นั่งมีอาสนะนั่งพระเหล่านั้นก็จะนั่งตามไปด้วยเนี่ยเนี่ยนี่ยังไม่ยอมออกอยู่เลยเนี่ยบาปเนี่ยเขารู้กันหมดจนพายเขาจะต้องอดอาหารพวกเราเนี่ยทําไงก็ไม่ออกนี่เนะยต้องหันมาสารภาพเลยบอกท่าน ตอนนี้บาปอับปโซลธรรมลามกไหลท่วมทับกระแสใจผมแล้วท่านช่วยตำหนิหน่อยพระก็จะบอกว่าท่านทั้งหลายเออท่านท่านต้องระมัดระวังเนะท่านไม่รู้เลยว่าจุดตีจิตของท่านจะเกิดยังไงถ้าจุดติจิตเกิดกับท่านตอนนี้อบายทุกตีวิธิบาตในโลกเป็นของท่านเนะพอพูดอย่างนี้ก็จะสะดุ้งแล้วจะไม่ไมนะเข้าก็ถอนก็ขอบใจกัน แล้วก็นี่เขาน้อมขัดเกลากันแบบนี้ถ้าเราอยู่ในสังคมอย่างเนี้ยเป็นสังคมขัดเกลา์ไหมสังคมลักษณะนี้จะเป็นสังคมมีาการขัดเกลา์ไงแต่ไม่ใช่เป็นสังคมเหงียนการที่จะคอยตําหนิกันใช่ไหมไม่ใช่มาไปปฏิบัติธรรมก็คอยจ้องอันี้บาปเกิดหรือเปบาปถ้าอย่างนี้ไปเลยไปคนละมุมเลยถ้าอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญแะ ฉะนั้นการที่บุคคลที่มีกระแสของขันทัศนยนะ์น่ะกระแสของตาหัวใจหมุกลิ้นกายใจที่มีอินทรีย์ห้าเจริญนี่นะก็เหมือนทุ่งบ้านเมืองที่มีพระราชาปกครองเขาตั้งจิตไว้มั่นในธรรมที่พระศาสดาทรงสแสดงเนี่ยนะถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าอินทรีย์ห้าเนี่ยนะก็จ ะ, จะเจริญเติบโตในส่วนจริงกพัฒนาถึงถ้าบ้านเมืองจเจริญเบียเศษเนี่ยหนาเข้าในเข้าเ ข, า, ขาจะพัฒนาความจเจริญในบ้านเมืองได้ไหม ก็จเจริญได้สรุปตรงนี้ก็คือว่าศรัท ธ, ธาสัตทินรีขับเน้นให้ถึงว่าถ้าในในบางคำพีในชั้นของบางคำพีนี่เนะในบางคำพีท่านจะใช้คำว่าเออรานณ้ท่เชื่อภราเพราะถ้าได้เจอกับศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์แล้วย่อมตั้งอยู่ได้ยังไม่หวั่นไหว ศรัทธาภละวิ ร, ยริยะภละสติภละสมาธิภละแล้วปัญญาภละคําว่าไปว่ากําลังใช่ไหมถ้าศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาถ้าเป็นระดับภละที่มีกําลังอย่างแรงแล้วเนะถ้าไปเจอกับธรรมที่เป็นปฏิปักษหรือเจอกับศัตรูที่เป็นปฏิปักษแล้วย่อมตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวนี่แปลว่าศรัทธาแข็งแรงไหมยังแข็งแรงมากอะตอนนี้ ศรัทธาของเราถ้าเจอกับตัณหายังพอสู้กับตัณหาได้ไหมสู้ได้ไหมความตัณหาเนี่ยอย่าลืมว่าพูดถึงตัณหาเนี่ยพูดถึงโลภะทั้งหมดเลยเนะถ้าเจอกับโลภะนี่เราจะยอมถอยให้กับโลภะหรือตั้งมั่นต่อสู้กับโลภะเราจะกําจัดโลภะได้หรือให้ โลภะกำจัดศรัทธาจริงเลยจริงเลยเลยโอ้ดีเลยนะไม่รู้จะจริงได้กี่ชั่วโมงเนอะขอให้ได้ตลอดไปเฮ้อสาธุเนะียเพราะว่าถ้าศรัทธาที่เป็นศรัทธาพละนี่นะถ้าเจอกับตัญหาเนี่ยนะสะภาพของศรัทธาสามารถจะยืนการและต่อสู้การทำที่เป็นปฏิปักษ์หรือศัตรูเขาได้เพราะมันตรงข้ามตรงข้ามกัน ถ้าพูดถึงศรัทธาพร ะ, ะนี้ท่านจําแนกเป็นสองใช่ไหมปกติศรัทธากับภาวนาศรัทธาถ้าปกติศรัทธาย่อมสามารถทํากุศลธรรมมีทานศีลภาวนาเป็นต้นได้แต่พระยังเป็นศรัทธาที่ไม่พัฒนานะศรัทธาที่ยังไม่พัฒนาถูกตัณหาครอบงํำไหมไม่มีกําลังพอที่จะสามารถผลักดันตัณหาออกไปได้ย่อมถูกตัณหาครอบงําอยู่นั่นเอง ลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าศรัทธาที่ถูกตัณหาครอบงําเรามีศรัทธาแต่เราก็ยังยึดติดในอมิตรทั้งสองทั้งสามเช่นเราก็ยังยึดติดในที่อยู่อาศัยเครื่องดองหอมยารักษาโรคใช่ไหมอาหารยึดติดในในยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ยึดติดในพบดีๆอยู่ ฉะนั้นที่เราให้ทานรักษาศีลก็หวังเพียงแค่พบดีๆเท่านั้นเองอย่างนี้แปลว่าเป็นศรัทธาที่ยังไม่สามารถประเชิญหน้ากับศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์ได้คือตัณหาอ น, นี้วัดใจตัวเองได้ยังตอนนี้ใครตั้งมั่นจริงๆไหมว่าให้ทานเจริญศีลเจริญภาวนาเป็นต้นเพื่อเป็นปัจจัยใก่การพ้นทุกข์จริงๆ ไม่ได้มีพบชาติเป็นตัวแอบแฝงเลยพบชาติมาเป็นผลพลอยได้แต่ความสิ้นทุกนั้นเป็นผลโดยตรงคิดอย่างนี้จริงรึวะต้องบ่อยด้วยนะเนะ่านตรึกในลักษณะอย่างนี้แสดงว่าศรัทธานั้นเริ่มประเชิญหน้ากับธรรมที่เป็นศัตรูได้แล้วใช่หประชิญหน้าได้แล้วศรัทธาเป็นมีกำลังอย่างเดียวพอไหม เขาว่าออกไปเขาเลยทำลายแต่นี้บอกว่าจิตที่ฟุ้งซ่านนี่นะฉะนั้นตันหาทั้งหลายเหล่านี้นะถ้าเรามองในลักษณะว่าในชั้นของคําสอนนี่นะถ้าเราดูในชั้นของดีกาทั้งหลายเหล่านี้นะจะเห็นในชั้นของดีกาทั้งหลายเนี่ยถ่านบอกว่า ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าอ๋อตันหาเป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธาแล้วตรงนี้มากลายเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันแล้วเนาะทีนี้ใครมีตันหาแรงมากหรือโลภะเยอะศรัทธาน้อยใช่ไหมศรัทธาก็จะอ่อนเนาะศรัทธาก็จะอ่อนเพราะมันยึดติดมันยึดติดประการต่อมาคือวิริยะวิริยะเนี่ย ถ้าหากเป็นปกติวิริยะสามารถออกจากโกสัศช้าได้ไหมอะไรคือโกศชา้าความเกียดค้านี่เป็นกุศลหรืออกุศลเห็นไหมอกุศลหมดเลยความเสื่องซึมทอ้อถอยเหงาหงอยเศร้าซ้อยเป็นเป็นอะไรเป็นอกุศลที่ออกไม่ได้เพราะเป็นวิริยาแบบปกติ ไม่สามารถที่จะประเชิญหน้าต่อศัตรูได้ยืนท้าเขาสิมาสินับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเชิญเลยโกศชอากุลนั้งหลายเชิญเข้ามาเถอะเราไม่กลัวเจ้าอีกแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเพราะเราได้พระธรรมคำสอนของพระศาสดาเป็นเครื่องเกื้อนหนุนเป็นเครื่องอุปการะแล้ ว, ลวเราจะเริ่มอรารภปาต อาลบความเพียรตั้งแต่วินาทีนี้จะเริ่มนิกรรมธาตุก้าวออกจากความเกียดค้านในกลุ่มอกุศลได้แล้วจะพัฒนาไปถึงปรักรมรรคธาเข้าถึงความเกลื่อนได้นี้เขาเรียกว่าวิริยะมีกําลังไหมกําลังอย่างนี้เขาเรียกวิริยะพละถ้าบอกเชิญมาที่มาเมื่ อ, อไรเราก็ยอมทุกครั้งยี่นะีอันนี้เรียบร้อยเลยเอาเป็นเงินไหม ท่านไม่รู้หรอกว่ามันง่วงขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงท่านก็พูดไปใช่ไหมอย่างนี้ป่ะคิดอย่างนี้ป่ะที่จริงความง่วงเนี่ยมันเป็นปกติของชีวิตไหมที่จริงหรอกที่จริงเลยเขามีการแต่ว่าเวลาจะพักผ่อนก็พักเป็นเวลาเขาไม่ได้พักได้ทีนะมิทะเขาพักเพราะร่างกายมันเมื่อยล้า ไม่ใช่พักไม่รู้จากเวลาเวลานี่มันเกินกวเหตุแล้วใช่ไหมก็เขาตั้งหลักกันไว้ตั้งนานแล้วว่าสามทุม่มนี่ยังไม่ถึงเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้มันมาผิดปกตินี่แปลว่ามันรู้จากเวลาเวลานี่น่ะอันนี้ไม่ใช่กุศลแล้วใช่ไหมนี่อกุศลชัดแล้วเนี่ยฝึกมาตั้งหลายวันมันน่าจะเกิดความคุ้นเคยใช่ไหมแล้วแปลกไหมเวลาไปถึงเวลานอนดันไม่นอนเนี่ยเคเป็นอันนี้แปลว่าผิดปกติอีก ใช่ไหเดินจิตไม่ได้อีกเขาเรียกอะไรนะกลางคืนเป็นควันกลางวันก็เป็นไฟไฟาอะไรตัเนี้ยบางคนบอกอบางคนบอกกินยาเนะถ้ากินยามีผลจริงๆมิงยมีมีผลแต่มันจะมีผลในลักษณะไม่ใช่บาปเกิดนะไม่ใช่นั้น ไม่สามารถที่จะผักดันโกสศชากุศลไปได้ก็ถูกโกสศชากุศลครอบงำวิริยะอยู่เมื่อครอบงำเนี่นยนะจย่อมรู้ความที่ทิฏฐิทุจริตอบายที่เกิดขึ้นในสังสารวัตที่ผ่านมานี่นะที่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระเจ้าแต่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากทุจริตต่างๆเป็นต้นได้นะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็แปลว่าเห็นนี้เห็นชัดบอกว่า